ีชวิตลุ่มน้ำพาชีบริเวณราชบุรีฝั่งตะวันตกเป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำแม่กลองมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรีในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีลุ่มน้ำพาชีตอนบนมีอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยความจุยี่สิบสามล้านลูกบาทเมตรลุ่มน้าภาชีตอนล่างมีอ่างเก็บน้าห้วยมหาดความจุ 4.3 ล้านลูกบาทเมตรลุ่มน้ำภาชีตอนล่างเป็นพื้นที่เกษตรสำคัญของตัวเมืองราชบุรีมีอ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต่งขนาดความจุ 35.40 ล้านลูกบาทเมตรด้วยสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยและอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดมีน้ำมากจนเกินความต้องการขณะที่อ่างเก็บน้ำสานักไม้เต่งซึ่งอยู่ตอนล่าง กลับประสบปัญหาภัยแรงทุกปีและมีน้ำไม่เพียงพอแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ชนลประทานได้กรมทรัพยากรน้าบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความสมดุลของน้ำทั้งระบบโดยดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผ่นน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมหาดที่ล้นไปยังอ่างเก็บน้ำสำนักไม้เต่งอีกทั้งผ่นน้าไปสู่อ่างเก็บน้าห้วยกระชาย และอ่างเก็บน้ำชัดป่าหวายที่เป็นอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ราษฎร 3,561 ครัวเรือนในพื้นที่กว่า 5,000 50, 0ไร่ไม่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้าโทร1310กด5 หรือ www.dwu.r.go.th